ไปไก่ลุงพอก็ล้องลองจับมันห่อนบอลมันห้อนขึ้นเ่าเ น, น่ะเงยวมันบอดีจะไปหาเห็ดขั้นปได้เห็ดเนี่บอดีอยู่ไก่ลุงพอก็ห่อนอยู่ไก่ลุงพอก็หอ่อนก็ยังหมาบักกาแฟกับบักแบ๊กกันเห็นมั้ไปอยู่วัดไม่ออกไปเที่ยวคอนเขาก็นำํำเขาใช่ไหมเสียงลงไปมะคงจะเค็ดแล้วมั้งหมาก็เหมือนกันน่นแะ สมัยก่อนหมาของเราเลี้ยงอยู่ในวัดของเห่าเนี่ยมันบอกออกนอกวัดเลยอยู่ในวัดปาร์มี้ฮิตเลอร์ไอเกลเกล่ไงมาโยนีแล้วมันชอบออกไปเที่ยวบานไงออกไปเที่ยวห้องเลยว่าไปหน่อยเอาไปไปห้วยสวกว่ะ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 กลับมาบ้า น, นีดีขึ้นมาในชั่วระยะหนึ่งบาททะออกจากบาทะเนี่ยหายจากข้อดีบาดเนี่ยนะฮู้ยเลิดเปิดเปิ่งเลยวันโนไปบาดเนี่ยเอาหมามาเลี้ยงในวัดของเฮ้าเนี่ยทั้งหมาลางังหมาทายว่นไปเอามาเลี้ยงเนี่ยตัวนี้เราผ้าออกบาดเนเีเป็นนักเลงผ้าออกเที่ยวว่นโนไปพุ่นอ่ะออกนอกวัดพุ่น ตนี่นะี่้าออกวนะเนาบักฮิตเลอร์เนะียปากใหญ่ปากกว้างเนะี่ยมาฮิตเลอร์มาเขาเอื่นพันอย่างไงผที่ชดขึ้นลดตู่ช่อนนะี่ยลดตูท่ทางนอกวัดนะี่ยช่อนเนยเหยียบตายทำตายนอกวัดเลยนะมาฮิตเลอร์อันหนึ่งเนี่แหละลูกชิฮิตเลอร์กับมี่เนาะกาแฟาก็บักแบกเนี่ยนะน้ํากดฮิตเลอร์ลวงพ อ, อยังโอ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 ทั้งที่เอาเขาลงเลียนเนยะหมารุ่นนี่หมาที่เอาเขาลงเรียนเนะี่ยลงเรียนต่อยชดอลงพอมัดไปหลายกันนะ้นเนเอาหมาเขารงเลียนนะแต่มันก็ดีอยู่เนีย่ยมันบ ก, กเกลีนนะ่ยวนออกไปมันก็หุ่จักควาอยู่ขนานมันกเกลีนนะ่ยมัย่อฟั่งไปนะี่ยดุดไอ้แบกยดุดไอ้บ็อกก็แสด น, น่มันโบยุดเลยแล้วนานะโบฟั่งเรนะ็วแล้วเนาะ มึงจะออกไปมันก็บอกฟัง่งน่ะมันเกเร่ไอ้เนี่ก็ช่วยๆกันเบิงหน้าทั้งหมาไอ้บอกไอ้แบกอยู่ทั้งหน้ายุง่งสวนไม้ชอยๆเบงๆิงเบิงแล้วก็พ่อมกันก็จะไปให้อาหารพกหมาหมาข้าเจ้าที่มาอยู่น้ำพันเอาให้เขาพดีเด้เอาอาหารให้หมาข้าเจ้าเดี๋ยว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 กบแมนจีมาจะมิติเมตตาธรรมะมังมกบแมนไปเลี้ยงหมาเขาไหวไปเลี้ยงไก่เขาไหวไปเลี้ยงสัตว์เขาไหวสัตว์เ ข, วเขามีเจ้าของเฮ้าอย่าไปหาเลี้ยงถึงนั่นก็ให้ไหล่ออกสักกอนถามมันอาหารมันเหลืออะไรเออก็ทุดแทะแต่เบนเสียแต่ เ, เจ้าของเขาก็บว่ายอย่งเอือก็บอกเจ้าของเขาคำมากอะไรมันกินเนอะดือจิเลี้ยงให้มันกินเนาะ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 อพวกเข้าอยู่ทำทำหงหมันไปไปดูทำหงไปดูเอะสะอื่น เ, เดี๋ยวจะพาทัศนะศึกษาแต่ไหเนเต้าก็เออแต่ไหนบ่าให้ไถ่เต้าคาบทั้งกลางใหม่กันไปเอต้าคาบกลางใหม่ก็นกหงก็บคาบทั้งสองส่วนบินะบินขึน้นอากาศเต้าโหดขาก็ะเฮ็ดโจดโ๊ดโจดโจ ด, ด, ด, ดไปไปไเอป เต่ขาขับขาบกลางใหม่นกโขงกับบินทั้งฝ้าบ้านนันบินผ่านไปกลุ่มพระราศีบ้านเนยผ่านไปกลุ่มพระราศีเนี่ยมันเป็นบินต่ำเลยโง่ก็คงจะบินเพสูงอนะพวกคนทั้งหลายเห็นมันเด็กน้อยทั้งหลายเห็นเด็กน้อยกําลังเล่นอยู่อพอเห็นอยู่เด็กน้อยไปห้องใส่บ้านโต๊มือพ่อมันเอาไปเบิง้งเบิ้งโน้บังโน้ตัน เตาหามหงเตาหามหงวะเธอเนี став paranoid, став ่ยมันก็แม้นั่งมันกัอเตาหางว่นไปใกร้าว่าเตาอยู่ทั้งค้างมันบ่อหล่ะหงอยู่ทังางอาจะว่ามันหากรแม้นมันออกไปบาน้าเตาปนวังคนในยินเด็กน่อยหัวทางใตวันออกไปเด็กหน่อยมันบ่ออย่างว่าธอเนี่ยกูจะว่าขาหาผงไหนจังไหนเนี่ยหงหามเข้าไป ยังแมนเลยอันไห้จะว่าเฮ้าหาผงไหนจังไหนเลบา้าเดีเตาตอนไหนก็เลยอาปากซีวอลนู้นซีว้าเหมือนทุกอยทั้งไต่พวกนายพ่ออาปากขึ้นมาแต่เนี้ยก็ลดถึงตัวบาตเนี้ยลดไม่ข้านหามมันลไปลดมันก็เรี่ยเลีวเลี่ยเลี่วแล้วมันตอกใส่กางพ้าลนน่นเตาก็เลยหลังแตกก็ไงตายพอ่อเตารถถึงเหหงก็ไปยามส้วนยังได้วนางนนไปเพราะว่าหงเนี่ยเอาขอมาแล้ว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 นี่แหละในหลักของพกุทธศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นกนัเป็นการบอกกล่าวกันเตือนกันทุกคนตั้งแต่หลวงพ่อนะ่ะเป็นตนไปหลวงพ่อแหงเบาหลายแต่ละมือนะแต่ก็บอกเบาหลายปณินนรดาอกว่าไหวเบาแต่ย้หมือเศร้าตรนี้ะกันยาำวันพระกันนอกนันกันนี้ก็มีศรัทธา ญ, ญาติโนมาจากทางทิอื่นก็นได้พูดได้กล่าวแนนำ้ำเฮาเด็ปฏิบัติมากจัง